เพิงพากันตั้งใจให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นเวลานี้เรามาประชุมกันในศาลากา ร, ปรเปรียนนี้ความมุงหมายก็เพื่อที่จะทำใจให้สงบเป็นบทบาทเบื้องต้น เพราะใจนี้ถ้าหากว่าเราไม่ฝึกแล้วมันสงบลงไม่ได้เพราะกิเลสมันมีอยู่ในหัวใจกิเลตนั่นแหละมันรบ ก, กวนเอาให้สงบอยู่ไม่ได้ต้องคิดไปทั่วพิภพมันอยากได้สิ่งใดมันก็คิดไปถึงสิ่งนั้น ไปผูกใจอยู่กับสิ่งนั้นถ้ามันเกลียดมันชังคนใดมันก็วิตกถึงคนนั้นคิดจะแก้แค้นอะไรต่ออะไรอยู่งั้นปกติจิตใจมันย่มสอกแสหาตั้งแต่อารมณ์ หาแต่เรื่องต้องพิจารณาให้มันเห็นอย่างนั้นมันถึงพอใจในการทำใจให้สงบให้มันเห็นว่าไอ้ความคิดที่ส่งสายไปมาไม่หยุดยั้งนั้นมันน่าเบือ่อมันไม่สบายมันรำคาญ การที่เรามาทำใจให้นิ่งอยู่ได้นี่มันแสนสบายมันไม่มีกังวลหน้ากังวลหลังอะไรนี่ลองทำดูทุกคนน่ยทำดูก็รู้ได้ทำใจให้ว่างลงไปจากอารมณ์ต่างๆที่เป็นอดีตอนาคต ไม่ต้องสนใจกับมันเพราะเรื่องอดีตมันก็ร่วงมาแล้วเราจะไปทำยังไงให้มันกลับคืนดีกลัวเก่ามันก็ดีไม่ได้สิ่งใดที่มันเสียหายไปแล้วนะสิ่งใดที่มันดีอยู่แล้วมันก็ดีอยู่ตามเรื่องของมันแล้ว เราจะไปคิดทหามันดียิ่งขึ้นไปกลัวนั้นก็ไม่ได้อนาคตก็ยังไม่ได้ไม่ถึงแม่คิดไปก็ไม่ได้หรับตามความคิดหรอกก็ยังไม่ได้ทำอะไรกายก็นั่งอยู่นี่ดังนั้นคิดไปก็คิดไปให้รำคารเป่าๆนี่ ก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยการข้างหน้านั้นนะอพี่ณาให้มันเห็นเมื่อพี่นาเห็นอย่างนี้แนละ้วมันก็ไม่ชอบจะคิดส่งไปดอกข้างหน้าไม่คาดการมันแหละเวลาที่เราทําความสงบใจอยู่นี่นะก็ต้องงดแหละอั้นเมื่อออกจากสมาธิแล้ว จะคิดอ่านการงานอะไรล่วงหน้าก็คิดไปในในเรื่องที่มันจะเป็นประโยชน์นะแต่ในขณนะนั่งสมาธิอยู่นี่ไม่ต้องไปวาดภาพมันเลยมันรบกวนใจไม่ให้สงบเรามุงให้ใจมันเป็นหนึ่งขณะนั่งสมาธิอยู่เนี่ย ให้ตั้งใจลงอย่างนั้นดังนั้นเรื่องใดที่ควรคิดก็ไม่คิดมันก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้คิดทีหลังเตือนตนเข้าไปอย่างนั้นแล้วก็มากาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เข้าไปแล้วไอความคิด ความอยากคิดไปในเรื่องต่างๆมันก็ยุติลงแต่ถ้าไ ม, ไม่กำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่มันจะไม่ยอมหยุดหรอกความคิดนะมันก็คิดเลื่อยเปลื่อยไปอยู่งั้นแหละเดี๋ยวนั้นให้พากันเข้าใจอุบายวิธีทำใจให้สงบลง นอกจากอุบายอย่างว่านี้แล้วไม่มีอุบายอื่นการที่พระพุทธเจ้าก็ดีหรือพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเข้าฌานท่านก็มากำหนดลมหายใจเข้าออกนี่แหละแล้วก็จึงมาวิตกยกกิจขึ้นสู่พระกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง เส้นมานึกถึงความตายอย่างนี้นะเออความตายนี่คือความแตกขาดแห่งชีวิตตินชีพมาความแตกขาดนี่ก็พูดกันอย่างง่ายๆก็ว่ากายกับจิตแหละพลากจากกันออจิตก็อาศัยอยู่ในร่างกายนี้ไม่ได้ร่างกายนี้ ก็มันหมดสภาพที่จะให้จิตอาศัยได้แล้วเหมือนอย่างบ้านเรือนที่มันชำรุดสุดโทมมากแล้วผลตกมาก็รดลั่วลงไปแดดออกมา ก, ก็าเผาล่าร้อนอะไรแบบนี้นะใครๆก็ย่อมจะอาศัยเรือนหลังนั้นอยู่ไปไม่ได้เลย แต่จำเป็นตน้องหนีจากเรือนหนังนั้นร่างกายนี้ก็เป็นเช่นนั้นเวลามันหมดเหตุหมดปัดจจัยที่อุปถรัรมภ์บำรุงแล้วมันก็ำํำรุดไปหมดอาหารที่เคยรับประทานมีรสอร่อยอยู่แต่ก่อนมาก็ไม่อร่อยเลยจืดชืดไปหมดเรียกว่า ธาตุไฟมันอ่อนกำลังลงเต็มทีแล้วมันไม่รับช่วยย่อยอาหารเลยเมื่อเมื่อธาตุไฟมันอ่อนลงแล้วมันก็ไม่อยากอะไรเลยไม่หิวอะไรเลยอันนี้ก็ส่อให้เห็นแล้วว่ามันใกล้จะตายแล้วอ่ะ นอนก็ไม่หลับเข้าไปอย่างนี้เลยเดินเหินไปมาทางไหนก็ไม่ได้มีแต่นอนอยู่ที่เดียวเลยเอาไปเอามาร่างกายนี้ก็เคลื่อนไหวไม่ได้เลยนเนยหลือแต่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นต่อไปลมหายใจก็ สั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้าในที่สุดก็หยุดทิลงไปลมหายใจเมื่อลมหายใจหยุดลงจิตจะอาศัยอยู่ในร่างนี้ไม่ได้เลยก็ต้องถอนออกไปดังนั้นชีวิตของคนเราเนี่มันจึงอาศัยลมหายใจเนี่ยเป็นเครื่องหมาย ว่ายังเป็นอยู่ดังนั้นจึง ช, ชื่อว่าชีวิตนี้มีน้อยนิดเดียวหนึ่งมีแค่ลมหายใจเข้าออกเท่านี้เองนั่นแหละเมื่อมาพิจารณาเรื่องความตายอย่างว่านี่นะใจมันก็ไม่พุ่งสั้นเลื่อนลอยไปทางอื่นเพราะว่า มันรู้ตัวแล้วว่าจะต้องพลัดพากจากทุกสิ่งทุกอย่างไปทั้งของที่น่ารักของที่น่าเกลียดน่าชังต่างๆในโลกอันนี้ก็จะต้องพลัดภาคไปหมดเลยดังนั้นจึงไม่ควรที่จะไปน่าเกลียดน่าชังน่ารักอะไรต่ออะไรในโลกนี้เพราะว่า มันถึงจะรักจะเกลียดยังไงมันก็อยู่อย่างนี้โลกนี้เกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนแตกดับไปอยู่อย่างนี้การไปผูกใจเจ็บหรือไปโกรธใครต่อใครอยู่อย่างนี้มันก็มีแต่บาปแต่โทษการไปผูกใจรักใครกับรูปเสียงกลิ่นรดเครื่องสัมผัสใดๆก็ดี มันก็ก่อให้เกิดทุกข์ทางใจเมื่อรู้ว่าจะได้พรัดากจากของรักของชอบใจเข้าอย่างนี้มันก็เศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์เปล่าเปล่าเนี่เมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็วางใจเป็นกลางลงได้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับสิ่งใดๆ <c oughs> เพราะว่าทุกคนนะ่ต้องการความสุขจะได้ความสุขที่แท้จริงแล้วมันเกิดจากความสงบใจจากกิเลสตัณหาตัาหากไอความสุขที่ไม่จีรังยั่งยืนนั่นมันก็เกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นตามเรื่องมัน แต่ผู้มีปัญญาแล้วก็จะไม่พอใจอยู่ในความสุขชั่วคราวนั้นเพราะว่าเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนนมดังนั้นะจึงน้อมใจไปเพื่อความสงบที่นี่ผู้ต้องการความสุขอันเป็นแก่นสารแล้วจึงน้อมใจไปสู่ความสงบ ผู้ไม่เห็นคุณค่าแห่งความสงบอันเป็นแกนสารอย่างว่านี่มันก็ไม่น้อมใจไปหาความสงบมีแต่ทงใจไปหาเรื่องที่ให้เกิดความรักความชังความหลงความเมาไปต่างๆนานาง่งนี้นะนั่นแหละให้พึงเข้าใจ การที่ในพระพุทธศาสนานี่นะพระพุทธเจ้าทรงวางระเบียบหรือแสดงข้อปฏิบัติไว้เกี่ยวกับการนั่งสมาธิภาวนาเจริญสมถะวิปัสสนาก็เพราะจุดมุ่งหมายดังกล่าวมานั่นเองนะ จุดมุ่งหมายเพื่อให้พุทธบริษัทได้รับความสุขอันเป็นแก่นสารซึ่งเกิดจากความสงบใจนี่ความมุ่งหมายของพุพุทธเจ้านะี่ผู้ใดหลงไหลอยู่ในกรรมคุณทั้งห้านั่นมากอย่างนี้มันก็ไม่พอใจที่จะโน้มใจสู่ความสงบได้ เพราะว่าเมื่อน้อมใจสู่ความสงบแล้วมันจำเป็นต้องคลายอารมณ์แห่งความรักความใคร่นั้นออกไปมันถึงจะสงบลงได้ถ้าไม่คลายอารมณ์เช่นนั้นออกไปก่อนแล้วจิตจะไม่ยอมลงไปสู่ความสงบเลยนี่มันกลงกันข้ามอย่างนี้แหละนั่นนั้นน่ะ ผู้ปฏิบัติในพุทธศาสนานี่มันต้องทิ้งอารมณ์เหล่านั้นอย่าไปหวงไว้นั่นต้องสละออกไปไม่เช่นนั้นจิตใจก็สงบลงไม่ได้จริงๆการทำใจสงบเนี่ยนับว่าสำคัญทีเดียว ถ้าใจสงบไม่ได้แล้วก็จะไปเจริญวิปัสสนาก็ไม่ได้ไม่สามารถจะรู้แจ้งเห็นจริงอะไรได้เลยดังนั้นให้พึ่งเข้าใจกันอย่าพิ่งไปชอบพิจารณาอะไรต่ออะไรก่อนแต่พิจารณาเรื่องกรรมฐานเรื่องความตายอย่างนี้ อันนี้มันก็จำเป็นอยู่เองถ้าไม่คิดไม่พิจารณามันก็ไม่รู้สึกตัวแต่ส่วนที่อยากไปคิดถึงเรื่องอริยสัจจะทำอะไรไปนู่นนะมันไม่ไหวเมื่อใจยังไม่สงบอ่ะการที่เรามาพิจารณาถึงความตายอย่างว่านี่มันทำให้จิตหดตัวเข้ามา ไม่ให้มันยืดออกไปไกลนั่นนะหดตัวเข้ามาหาความสงบก็อมองเห็นชีวิตนี่สั้นนิดเดียวหนึ่งมันก็ไม่อยากได้อะไรแลร้วราะท่านะมันก็หดตัวเข้ามาสงบลงเป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันนั่นแหละเมื่อมาทำใจสงบ ลงไปแล้วรักษาความสงบใจนั้นไว้ให้มันได้นานพอสมควรเมื่อมันสงบไปนานพอสมควรแสดงว่าจิตมันก็มีกำลังแหละเหมือนอย่างเราพักผ่อนร่างกายหลังจากทำการงานเหน็ดเหนื่อยมาแล้วมานอนนิ่งๆอยู่ พอสมควรเก็เวลาแล้วมันตื่นขึ้นมามันก็กระปรี้กระเป๋าวั น, นี้เรียกว่ามีกำลังดีขึ้นมันได้พักผ่อนแล้วพร้อมที่จะทำงานต่อไปได้อีกเช่นไถนาคลาดนาขุดดินฟันไม้ถากไม้อะไรหมดเนี่ยมันก็ทำได้ ถ้าจะทำแต่การงานตลอดไปแล้วไม่มีเวลาพักผ่อนเลยนี่มันไปไม่ไหวสักหน่อยร่างกายนี่มันก็สุดโทรมลงไปแล้วก็ทำงานต่อไปไม่ได้เลยฉันใดจิตใจคนเราก็เป็นเช่นนั้นแหละถ้าปล่อยให้แต่มันคิดฟุ้งซ่านไปอยู่อย่างนั้น ไม่สงบลงได้เลยอย่างนี้ใจไม่มีกำลังเลยบะนี้อ่อนกำลังลงอะไรกระทบกระทั่งมาก็วันไวไปตามเลยดังนั้นึงจึงไม่สามารถจะรู้อริยสัจธรรมทั้งสี่ได้ให้พากันเข้าใจและจึงไม่สามารถเอาชนะกิเลสตัณหาได้ เพราะกําลังใจมันไม่มีมันอ่อนเต็มทีเห็นนี้ถ้าบุคคลใดได้มาพักกิตไปหยุดคิดหยุดนึกลงไปในปัจจุบันเนี่ย ใ, ใจมันนิ่งอยู่ในปัจจุบันนี่นานเข้ามันก็มีกําลังเลยวันนี้จิตเนี่ยเมื่อมีกําลังก็ต้านทานต่ออนาจของกิเลสได้ กิเลสครอบงมจิตไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่ว่ากิเลสมันหมดไปด้วยอำนาจแห่งสมาธินะเป็นแต่เพียงว่าอำนาจแห่งสมาธิมันไปคมกิเลสไปชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองนะขอให้จิตได้พักผ่อนขั้นเมื่อจิตถอนออกมาหากไม่ ใช้ปัญญาพิจารณาต่อเช่นนี้กิเลสมันก็เกิดขึ้นมาอีกแล้วมาครอบงมจิตได้อีกให้พึ่งเข้าใจมันเป็นอย่างงั้นดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้เจริญปัญญาต่อ น, นั่นแหละในเมื่อจิตถอนจากความสงบออกมาแล้วก็ตัวเองนั่นแหละกำหนด เรื่องที่ให้ตนพิจารณาไม่ใช่ให้กิเลสมันมากำหนดให้ถ้าให้กิเลสมันกำหนดให้มันก็ให้คิดสงสัยออกไปข้างนอกนู่นเลยตามที่มันเคยคิดเคยชอบใจมาเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราต้องกำหนดหัวข้อทมที่จะให้จิตไปพิจารณา โดยเฉพาะก็เรื่องรูปธรรมนามธรรมอันนี้เป็นหัวข้อใหญ่ที่จะต้องพิจารณาหลังจากจิตบันถอนจากสมาธิออกมาแล้วเพราะว่าจิตนี่ยังไม่รู้แจ้งในขันหายังยึดถือว่าเป็นตัว ต, ตนเป็นเราเป็นเขาอยู่ แต่การยึดถือเช่นนั้นมันไม่ใช่ยึดถือแล้วไม่มีผลตอบสนองเมื่อยึดถือขันห้าไหวมันก็เป็นทุกข์เลยมันเป็นยังไงในเมื่อขันห้ามันวิบัติแปลปวนไปกระทบกระทั่งกับจิตจิตไม่รู้เท่าก็วันไหวเป็นทุกข์เดือดร้อนนี่แหละความยึดมั่นในขันห้านี่มันเป็นตัวทุกข์พระศาสดาว่าเป็นทุกข์ รวบยอดดังนั้นแหละการเจริญวิปัสนาขั้นต้นในภาษาสดาจึงได้ทรงสอนให้กำหนดขันห้าที่อยขึ้นพิจารณาเพราะมันคล้องอยู่ในขันห้านี้เรื่องมันนะพิจารณาก็ไม่เป็นเรื่องลำบากลำบนอะไรอะ่ะ เพราะว่ารูปกายนี่มันไม่เที่ยงก็จิตก็รู้อยู่แล้วนี่เพียงแต่เอาเพ่งดูรับรู้ความจริงของร่างกายอันนี้เท่านั้นเองนะในเมื่อได้ไม่ได้กาหนดใจพิจารณาแล้วมันไม่ยอมรับรู้เมื่อไม่ยอมรับรู้แล้วมันก็ไม่เบื่อไม่น่ายเมื่อมันไม่เบื่อหน่ายมันก็ไม่คลายความยึดความถือ เรื่องของเรื่องก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยดังนั้นกจึงทรงสอนให้กำหนดเพ่งดูรูปกับนามอนันนี้ให้มันเห็นชัดตามเป็นจริงรูปก็หมายถึงอวัยวะหน่อยใหญ่ของร่างกายทุกส่วนนี่แหละรวมกันเข้าเรียกว่ารูป เช่นผมขนและฟันหนังเป็นต้นเหล่านี้นะนอกจากรูปกายอันนี้ออกไปแล้วบรรดารูปทั้งหลายที่อยู่นอกกาย น, นี่ออกไปก็เรียกว่ารูปเหมือนกันรูปเหล่านี้ก็แบ่งออกเป็นสองประเภทรูปที่มีวิญญาณอาศัยอยู่อีกประเภทหนึ่ง เช่นมนุษย์และสัตว์เลี้ยฉานที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละรูปที่ไม่มีจิตวิญญาณอาศัยอยู่เช่นต้นไม้หินกรวดทรายดินอะไรพวกนี้นะเนี่ยได้แก่รูปที่ไม่มีจิตวิญญาณอาศัยรูปทั้งหมดเนี่ย เมื่อมันมีเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นแล้วก็มีแปรผันใน่ามกลางแตกดับในที่สุดก็เรารู้กันอยู่นี่แต่จิตมันไม่ยอมรับรู้อย่างว่ามาแล้วนั่นเองบัด น, นี้เมื่อจิตมันสงบลงได้แล้วมันจะยอมรับรู้ความเป็นไปแห่งรูปกายอันนี้ชัดเจนเลย เป็นความจริงไม่จริงอย่างไรแล้วเ็เกิดขึ้นมาเป็นเด็กเป็นเล็กมันก็ค่อยเจริญเป็นเด็กใหญ่เป็นหนุ่มขึ้นมาเป็นสาวขึ้นมาเลยจากหนุ่มจากสาวไปก็เป็นวัยกลางคนเข้าไปนี่แหละรูปร่างกายนี่มันเปลี่ยนแปลงมาโดยลำดับ เลยจากวัยกลางคนไปก็เป็นวัยแก่ชราบัด น, นี้รูปร่างกายนี้มันเริ่มชํารุดสุดโทรมลงไปมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยในที่สุดเมื่อมันหมดเหตุปัจจัยไปแล้วมันก็แตกสลายลงไม่มีรูปชนิดใดชิ้นใดในร่างกายนี้มันจะเที่ยงยั่งยืนไม่มีเลย อาเมื่อรู้เข้าใจเรื่องรูปโดยแจมแจ้งแล้วอย่างนี้ก็มาพิจารณานามธรรมาคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ไม่มีรูปร่างมีแต่ชื่อมองไม่เห็นด้วยตาหนังบุคคลจะเพิ่งรู้ได้ทางใจ เมื่อใจกับกายนี่กระทบกันเข้ามันก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาถ้าร่างกายวิบัติกระทบกับจิตนี้ก็รู้สึกว่ามีความรู้สึกอย่างรุนแรงไม่สบายใจเส่นอย่างว่าร้อนจัดมากระทบเข้าไปอย่างนี้นะ จิตก็รู้สึกว่าไม่สบายแล้วเจ็บตรงโน่นปวดตรงนี้มันก็มากระทบกับจิตนี้จิตนี่ก็ผิดปกติไปแล้วไม่สบายอันนี้ท่านบัญญัติว่าเวทนาหรือบัญญัติว่าทุกขเวทนาอย่างนี้เนี่ยเมื่อร่างกายมันเป็นปกติดี โรคภัยอันร้ายแรงไม่เบียดเบียนกายกับจิตเนี่ยมันถูกต้องกันมันก็ไมถ่ถูกต้องอย่างรุนแรงอย่างที่เมื่อร่างกายมันวิบัตรนั้นนะเอ็นหายใจเข้าหายใจออกก็สม่ำเสมอไปจิตใจก็เลยสบายอันนี้ท่านก็บรญัติว่าสุขเวทนา ทีนี้เมื่อใจมันเฉยๆยินดีก็ไม่ยินดียินร้ายก็ไม่ยินร้ายมันเฉยๆต่อรูปต่อนามอันนี้ท่านก็บัญญัติว่าอุเบกขาเวทนาเนี่ท่านเดียวเวทนาสามเวทนาห้าก็เติมโสมนัสสะเวทนาโทมนัสสะเวทนาเข้าไป โสมนัสะเวทนานั้นได้แก่จิตนี้มีความตื่นเต้นต่ออารมณ์ที่น่ารักใครพอใจต่างๆอย่างรุนแรงมันทำให้เกิดความยินดีสูงเป็นความยินดียิ่งบางคนถึงกับน้ำตาไหลนยินดีหลอะพนนอใจมาก นี่ท่านเด ว, ว่าโสมณัสสกเวทนาเมื่อจิตได้กระทบกับอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจหรือว่าได้กระทบกับบุคคลที่น่าเกลียดน่าชังอย่างนี้มันก็โทมนัดรับแขนใจพาจะทำอะไรเขาก็ไม่ได้พอาามานนึกถึงว่ามันผิดกฎหมายถ้าจะไปฆ่าไปแกงกัน ก็มีแต่โทมานั์คับแค้นใจกับคนคนนั้นอยู่ร่าไปอย่างนั้นแหละนี่ท่านบัญญัตว่าโทมานต์สเวทนาคือความโทมนั์ขับแค้นใจในเรื่องนั้นๆมากมันเป็นอย่างนั้นนี่เรื่องลักษณะของเวทนามนมีอยู่ห้าประการอย่างนี้เราต้องเพ่งพิจารณาดูให้รู้ ลักษณะอาการของเวทนาห้าประการนี้สัญญาความจำหมายได้แก่จำรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักให่พอใจบ้างอันเป็นที่น่าเกลียดน่าชาังบ้างอันเป็นที่ไม่น่ารักไม่น่าชาังบ้าง นี่ลักษณะของสัญญามีหน้าที่จดจำอารมณ์ต่างๆหรือว่าเรื่องต่างๆที่ให้เกิดความยินดียินร้ายต่างๆวบนนี้นะนันสังขารได้แก่สภาพที่ปรุงแต่งใจให้คิดดีบ้างคิดชั่วบ้างคิดไมดีไม่ชั่วบ้างวิญญาณ ได้แก่ความรู้แจ้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่เมื่อเมื่อตาไม่วิบัติวิญญาณกมก็มมอาศัยอยู่ที่ตานี่แล้วก็ทำให้ไ ด, ได้ได้รับความรู้สึกทางตาได้เป็นอย่างดีเช่นลมพัดมาอย่างนี้นะก็รู้สึก ว่าลมพัดแรงนี่แสบตา อ, อย่างนี้แหละแม่ลมไม่พัดกระพริบตาไปมาอยู่นี้ก็รู้สึกอยู่หรือว่ามีหุ่นละอองอะไรปลิวเข้ามาใส่ตาอ้าวรู้สึกว่าแสบแสบเจ็บเจ็บเข้าไปแล้วนี่เรียกว่าวิญญาณทางตา ทีนี้เมื่อตานี่มันวิบัติลงหากว่าส่วนโดยส่วนสำคัญมันเสียหายเช่นแก้วตาแตกลงไปอย่างนี้นะหรือว่าถุงน้ำตาแตกอย่างนี้นะวิญญาณไปอาศัยอยู่ไม่ได้เลย เ, เราก็เรียกว่าตาบอดมองอะไรไม่เห็นแล้ววันนี้ โสตกวิญญาณวิญญาณทางหูถ้าหูนี่มีปกติเวลาแก้วหูนี่มันแตกบอกหรือว่าเขาเรียกว่าเยื่อที่บังอยู่ในหูเนี่ยมันขาดออกไปอย่างนี้ มันก็ไม่ได้ยินเสียงเลยวิญญาณทางหูก็หมดไปอาศัยอยู่ไม่ได้เราเรียกกันว่าหูนวกจมูกไอศูกกริมเหม็นกลิ่นหอมต่างๆนานามมนีมันก็เพราะ อ, อาศัยวิญญาณนั่นแหละ ไปอาศัยอยู่ในจมูกมันจึงรู้สึกเหม็นรู้สึกหอมต่างๆได้ทีนี้ถ้าจมูกนี่เกิดวิบัติติดขัดเข้าไปอย่างรุนแรงวิญญาณเข้าไปอาศัยไม่ได้มันก็เลยไม่รู้สึกกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นอะไรเลยจมูกเนี่ยลิ้นก็เหมือนกัน อันมันจะรู้รสอาหารรู้รสเค็มรสหวานรสจืดรสขมรสเปรี้ยวอะไรได้หมดนี่มันก็เพราะว่าวิญญาณยังอาศัยอยู่กับริน้นี้ริญนี้ไม่วิบัติมันจึงรู้รสอาหารต่างๆได้ขั้นพอริ้นี้มันวิบัติลงไป แล้วอย่างนี้วิญญาณอาศัยอยู่ไม่ได้แล้วก็ไม่รู้อะไรแล้วไม่รู้จักรสเค็มรสหวานรสเปรี้ยวอะไรเลยร่างกายทุกส่วนอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าส่วนไหนมันวิบัติลงไปจริงๆแล้ววิญญาณเข้าไปอาศัยอยู่ไม่ได้มันก็ไม่รู้จะเก็บจะปวดอะไรไม่รู้จกร้อนจกหนาว อย่างงี้เนี่ยเหมือนอย่างเช่นว่าบุคคลเป็นโรคเนบชาหรืออมมาพาธมือนี่เส้นประสาทมันเสียมันที่การนะวิญญาณก็ไปอาศัยอยู่ไม่ได้ก็เลยไม่รู้สึกอะไรนะอวัยวะส่วนนั้นนะไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกปวดอะไรนะแล้วก็ใช้การอะไรก็ไม่ได้ ไม่มีกำลังอันนี้หาไทยวัตถุคือหัวใจก็เหมือนกันเนะมื่อหัวใจในพิการหน่วยแล้ววิญญาณอาศัยอยู่ไม่ได้แล้วเราก็เรียกกันว่าตายมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้น ให้พึ่งพาการศึกษาให้เข้าใจนามมาทำทั้งสี่ประการเนี่ยต้องพิจารณาเมื่อทำใจสงบลงไปแล้วนะเมืม่อเราเพ่งอยู่ภายในนี่มันก็รู้ได้ถึงจะไม่มีรูปร่างก็ตามนามมาทำทั้งสี่นี่นะมันรู้ได้ รู้ได้โดยสัมผัสทางใจนี่แลจิตมันมาหลงอยู่รูปธรรมกับนามธรรมนี่แหละเมื่อมันหลงรูปธรรมนามธรรมอันที่ตนอาศัยอยู่นี่แล้วมันก็หลงรูปธรรมนามธรรมอื่นต่อไปอีก น, นเช่นอย่างว่า มันก็หลงรักหลงใครเพศกลงกันข้ามเข้าไปมันเป็นอย่างนั้นาอมันสาคัญว่ามันสวยมันงามสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนจริงจังมันจึงได้ไปผูกพันกับรูปอื่นน้ำอื่นต่อไปก่อความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆน า, นานาประการให้เกิดมีขึ้น เป็นเหตุให้ได้สร้างบ้านสร้างเรือนต้องได้ทำมาค้าขายหาเงินหาทองไม่ได้หยุดได้ยั่งเลยเพราะว่าเมื่อบุคคลไปมีครอบครัวเข้าไปแล้วมันก็มีลูกมีเต้าออกมาก็ต้องหาเลี้ยงกันอยู่งั่นแหละ นี่แหละพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการที่จิตใจเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในขันห้านี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาแล้วมันจึงชือว่าเป็นทุกข์รวบยอดนั่นแหละบัดนี้ผู้เจริญปัญญาวิปัสสนาเมื่อเห็นแจ้งในขันห้าตามเป็นจริงอย่างว่านี้แล้ว อย่างน้อยมันก็บันเทากิเลสตัณหาอันมันจะพาให้ไปทำบาปทำกรรมนั่นลงได้ถ้าถึงว่าละไม่ขาดก็ดีเช่นตัณหาที่มันจะพาไปฆ่าสัตว์บังรักทรัพย์บังประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาดดื่มสุราม เมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนต่างพวกนี้นะมันงดได้เลยเพราะมามองเห็นขันห้านี่แล้วมันเป็นของไม่กีรังยั่งยืนแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่ามันเป็นบาปเป็นโทษบุคคลผู้ไปล่วงพุทธบัญญัติอันนั้นเป็นบาปเป็นโทษตามสนองให้เป็นทุกข์ ไปไม่รู้จักจบถ้าไม่ละแล้วเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วผู้นั้นมันก็ไม่ได้ใช้ขันห้าเนี่ยไปทำบาปดังกล่าวมานั้นเลยก็ทำมาหาเรียงชีพแต่ในทางสุจริตทางใดที่จะเป็นไปเพื่อเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นแล้วก็ไม่แสวงหาแล้ว ก็เชื่อว่าเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เป็นผู้มีคุณธรรมคือเมตตากรุณาอยู่ในใจเพราะมันเกิดความเอ็นดูสงสารขึ้นมาแล้ ว, วะนี่เมื่อใจมันเป็นธรรมไปแล้วเอ็นดูสงสารทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์ดิรฉชันไม่ปาถนาจะไปทุบไปตีไปทำลายล่างผานชีวิตของมัน เกิดความสงสารเจ้าของทรัพย์สมบัติที่เขาหามาแสนทุกแสนยากแสนลำบากเมื่อหามาได้แล้วใครๆก็หวงเห็นไม่อยากให้ใครมาแย่งชิงเอานี่เมื่อเกิดสงสารเจ้าของทรัพย์มาอย่างนี้นะมันก็ไม่ปรารถนาจะไปลักไปล่อไปหลอกลวงช่อโกงจี้ปล้นเอาของผืนมาเป็นของตนแล้วผู้นั้น เร า, าพิจารณาเห็นว่าอัตภาพร่างกายเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอย่างนี้แล้วก็ไม่ควรที่จะไปกําหนัดยินดีในรูปที่เป็นบาปเป็นโทษเช่นอย่างว่ารูปที่เขามีเจ้าของห่วงเห็นแล้วอย่างนี้นะก็ไม่ควรที่จะไปแย่งไปชิ้งไปหลอกไปลวง เอามาบำลุงบำเลอความใคร่ของตัวเองเพราะมันเป็นบาปเป็นเวรและถึงแม้จะยินดีพอใจบำรุงบำเรอในรูปเสียงกลิ่นรสเหล่านั้นร่างกายอันนี้มันก็ไม่ทนทานไปเท่าไหร่ไปไปมันก็แตกก็ดับมันเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วมันก็คลายความยินดีพอใจใน รูปเสียงอันเป็นบาปเป็นโทษดังกล่าวมานั่นได้แล <c oughs> ้วเมื่อพิจารณาเห็นขันห้าเป็นของไม่จรังยั่งยืนและอย่างนี้มันก็ไม่ปรารถนาที่จะไปพูดเท็จพูดจอเสียดพูดคำยาพูดเพ้อเจอ้อให้คนอื่นเขาเป็นทุกข์เดือดร้อน เมื่อโกรธขึ้นมาแล้วมันชอบพูดคำหยาบโลนต่างๆด่ากันแช่งกันพูดเสียดแทงกันหมู่นี้นะเมื่อมันเห็นแจ้งในขันห้าในว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนแล้วไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาแล้วอย่างนี้ก็จะไปด่าเขาทำไมด่านะมันก็ด่ารูปด่าดินด่านา้าด่าไฟด่าลมเฉยๆแต่แล้วมันเป็นบาปเป็นโทษนะถึงแม่ ว่ามันจะเป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมก็จริงแต่ว่ามันมีจิตปิญญาณอาศัยอยู่ในนั้นเมื่อมันถูกด่าถูกว่าเข้าไปก็เป็นทุกข์คนผู้นั้นนะดังนั้นนะ่ะมันถึงเป็นบาปให้คาําด่าคําว่าคําเสียบแทงกันให้เจ็บอกเจ็บใจนี่นะจึงเป็นบาปเป็นโทษนั่นแหละเขาไปทําให้ผู้อื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนใจ เพราะคำพูดของตัวเองนี่ต้องให้เข้าใจอย่างนั้นของเสพติดใ้โทษต่างๆสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนมูนี่มันกะระลุนตั้งแต่เป็นกรรมเป็นเวรทั้งนั้นเลยไม่เป็นเวรยังไงแล้ว สุราเมลายอย่างนี้นะผู้ใดดื่มเข้าไปบ่อยๆเข้ามันติดอ่ะเมื่อมันติดแล้วไม่ได้ดื่มก็อยู่ไม่ได้เมื่อมีเงินมีทองอยู่ในกระเป๋าเท่าไรก็ไปหาซื้อดื่มอยู่ไปดื่มน้อยๆมันก็ไม่พอเพราะว่ามันชินกับรสชาติของสุรานั้นพอแรงแล้วร่างกายอันนี้ มันต้องมากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นเงินทองมีเท่าไหร่ก็มดไปเพราะดื่มสุรานั่นนี่มันจะไม่เป็นเวรยังไงล่ะมันก่อทุกขให้แหละกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนก็เหมือนกันกัญชาในบุคคลใดสูบมากๆเข้าไปแล้วก็ให้เกิดเป็นบ้า ข, ขึ้นมา พูดเพ้อไปทั่วไม่มีสติสัมปชัญญะนี่นจะไม่เป็นเวร ย, ยังไงเล่า <c oughs> ยาฝิ่นก็เหมือนกั น, นบุคคลใดสูบเข้าไป ม, มากๆเข้าไปมันติดแล้วสูบน้อยไม่พอต้องเพิ่มไปเรื่อยๆ เ, เงินทองมีเท่าไหร่ก็เอาไปซื้อฝิ่นนั้นสูบไปหมด ถ้าผู้มีลูกมีเมียก็ยิ่งเดือดร้อนใหญ่ลูกเมียก็ไม่มีอะไรจะอยู่จะกินแล้วก็เอาลนะเกิดทะเลาะวิวาทกันเนี่ยจะไม่เป็นกรรมเป็นเวรยังไงล่ะ <c oughs> มรดกอันใดที่พ่อแม่มอบให้โอนให้ที่นาที่บ้านที่สวนเครื่องเพชรเครื่องพลอย ต่างๆนี้เอาไปขายเอาเงินมาซื้อของเสพติดเหล่านี้บริโภคกันหมดพวกเสพของเสพติดนีน่จึงได้ลงเป็นคนอนาถาคนยากจนหาที่พึ่งไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนี้แหละผู้เจริญปัญญาวิปัฒนาแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นโทษของ โทษ ด, ดังทั้งห้าประการดังกล่าวมานี่โทษสุดท้ายก็คือโทษของเศษติดดังกล่าวมานั่นนะเมื่อมันเห็นแจ้งโดยปัญญาอย่างว่านี่แล้วโอ้ยมันเบื่อเลยใครๆก็ไม่ยินดีพอใจที่จะไปท่องเศษมันแล้วเมื่อใจเบื่อซะอย่างเดียวแล้วกายก็เบื่อไปตามไม่ปรารถนาที่จะไปบริโภคมันเลย มันสำคัญอยู่ที่ใจไม่ยอมเบื่อนี่สิอันนี้แหละเมื่อใจไม่ยอมเบื่อแล้วร่างกายมันก็ไม่เบื่อนมะถ้าใจออกมันจะได้อย่างเดียวแล้วร่างกายไม่มีปัญหาเลยมันออกได้เพราะใจนีนะ่มันเป็นใหญ่กลัวกายทุกคนต้องให้เข้าใจอันนี้ บุครลผู้ที่ละทิ้งความชั่วเหล่านี้ไม่ได้ก็เพราะว่าไม่อบรมจิตใจนี้ให้เกิดปัญญามองไม่เห็นเหตุเห็นผลของความชั่วเหล่านั้นด้วยปัญญาดังนั้นมันถึงละมันไม่ได้ดังนั้นท่านผู้มาเจริญปัญญาพิจารณาเห็นสังขารร่างกายนี้ เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาแล้วท่านผู้เชนนั้นท่านจึงละบาปห้าอย่างนั้นได้เด็ดขาดไปเลยเช่นพระโสดาบันอย่างนี้นะท่านผูใ้ใดได้ดบรรลุโสดาบันแล้วท่านจะไม่ทำบาปห้าอย่างนั้นตลอดชีวิตเลยเรียกว่าละเว้นได้ด้วยสมุเฉทสัพหาน คือว่าละขาดได้จริงๆไม่กลับไปทำมันอีกเลยไอคนธรรมดาสามาัญนี่บางคนก็ละไม่ขาดเลยพอละไปได้หนอนหนึ่งพอกลับไปทำมันอีกแล้วอยู่อย่างนั้นเนี่ยดังนั้นนะพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ควรจะพากันกลัวต่อภัยในนรกเพราะพระุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแนะนาสั่งสอนพุทธบริษัทในเบื้องต้นนี่ก็ทรงสอนให้กลัวต่อภัยในนรกอบายภูมินี่แหละก่อนอื่นเลยเพราะว่ามันเมื่อผู้ใดไปพลัดผูไปตกลงไปในนรกแล้วมันนานแสนนานมันทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกนั่น นานแสนนานนะแต่นั่นแหละสันดานของคนเรานี่นเมื่อพ้นจากนรกมาแล้วพอมาเกิดเป็นคนแล้วนึกไม่ได้แล้วเลยเลยไม่ไม่ไมนึกว่าตนได้ไปตกนรกเลยเพราะอาวิชชาตันหามันปิดบังนะเลยมาเพิดเพลินมัวเมา ส, สร้างบาปสร้างกรรมใจตัวอีกในชาติที่เกิดอันนั้นนะอา้าวพอตายแล้วก็ไปตกนรกอยู่ของเก่านั่นแหละอีกเนะี่ยเหมือนอย่างคนนักโทษเนี่ย เ, เมื่อไปทำผิดกฎหมายเขาจับไปฟ้องรง้องติดคุกติดตารางเข้าไปแล้วมันยังไม่เบื่อไม่นายต่อคุกต่อตารางนั้นเมื่อพ้นโทษออกมาแล้ว ไปไปหนอหนึ่งไปทำผิดกฎหมายอีกแล้วเขาก็ะจับไปเข้าคุกออย่างนี้นะก็ต้องได้ไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในคุกในตารางนั่นไปชีวิตของผู้นั่นก็เลยไม่มีความหมายอะไรเลยเป็นหมันไปเสียเปล่ามีแต่ทุกข์บานี้หอบเอาแต่ทุกข์ไปอยู่ในโลกนี้ก็ นอนแช่อยู่กับกองทุกข์ละโลกนี้ไปแล้วก็หอบเอาทุกข์นี้ติดตัวไปด้วยมีแต่ทุกข์กับทุกข์เลยวันนี้บุคคลผู้มัวเมาประมาทไม่เชื่อพุทธโอวาทคำสั่งสอนดังนั้นน่ะขอได้พากันพิจารณาดูที่ชี้แจงเหตุผลแห่งความชั่วให้ฟังนี่ ก็เพื่อให้ผู้ฟังนั้นเจริญปัญญาวิปัสสนาแล้วน้อมเข้าไปพิจารณาดูว่าจะเห็นตามหรือไม่ถ้าเห็นตามแล้วก็มันก็ละเว้นไปในตัวแหละถ้าไม่เห็นตามแล้วก็ไม่ไม่ไม่ละเว้นก็เลี้ยไว้ใครต้องการอยากเสวยทุกข์ทนทรมานอยู่ในโลกสงสารอันนี้ก็เอาไป ไม่มีใครว่าอะไรถ้าผูใ้ใดเบื่อต่อทุกข์ภายในสงสารนี้แล้วจำเป็นต้องได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าดังแสดงมานี้สิ่งใดเป็นบาปเป็นโทษต้องตัดสินใจละเว้นจริงๆเลยตายเป็นตายถ้าจะไปทำบาป โยงเนี่ยแหงว่าตายซะดีกว่าตายแล้วมันไม่ได้ทำบาปเอาไปนั่นแหละตัดสินใจลงไปเลยถ้าหากว่าไม่ตายเนี่ยไปทำจะบาปอยู่นั่นไปสะสมจะบาปใส่ตัวเองอยู่งั่นเมื่อหมดอายุสังขารลงไปแล้ว บาปกรรมนั้นมันก็ฉุดกล้าไปสู่นรกอบายภูมิดังกล่าวก็ไปทนทุกข์ทรมานอยู่นู่นนะนานแสนนานผู้ใดทำบาปมากก็นังเสวยทุกข์อยู่นานมากทีเดียวเสวยทุกข์อยู่ในนรกเป็นกับเป็นกันหนูนะหลายกับหลายกันก็มีไม่ใช่ว่า เราจะไปตกนรกอยู่เดียวๆแล้วมันจะพ้นมาได้เพราะบุคคลทำบาปมากนะมันก็กรงกันข้ามกับบุญกุศลแหละคิดดูให้ดีถ้าบุคคลใดทำบุญไม่ทำบาปแล้วเมื่อละโลกนี้ไปแล้วบุญมันอำนวยผลให้ก็ได้เสวยสุขอยู่ในสุคติโลกสวรรค์ หรือพรหมโลกนะั้นนานหลายกลับหลายกันนะมันก็เหมือนกันแหละบุญกับบาปเนี่ยเวลามันให้ผลนะดังนั้นนักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงเลือกเอาทางบุญนะเว้นทางบาปเลยแม้จะมีอุปสรรคอะไรมาขัดขวาง จะให้ละบาปไม่ได้ผู้มีปัญญาหลายก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคนั้นไปด้วยอุบายปัญญาของตนเข้าทำนองที่ว่าโลกก็ไม่ให้ช้ำทำก็ไม่ให้เสียโลกคือความเป็นอยู่การทำมาหาเลี่ยงชีดก็เป็นปกติอยู่งั้นแหละแต่ไม่ทำบาปเท่านั้นเอง <c oughs> นี่เมื่อไม่ทำบาปแล้วก็ ก็ททำบุญเท่านั้นคนเรานะ่ะก็ชื่อว่าเป็นคนบุญแบบนี้นะไม่ใช่เป็นคนบาปกายว่ า, าใจของคนนั้นเป็นบุญทั้งหมดเลยบบนี้เป็นก้อนบุญนะ <c oughs> ดังนั้นนะพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาอันประเสริฐอย่างนี้แล้วไม่ควรที่จะให้พลาดโอกาสอันดีงามเหล่านี้หัวหาหนทางปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าดังแสดงให้ฟังมานี้ให้ได้เราเอาทุกขเป็นทุนยอมแหละ อ่าปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้านี่แม้ว่ามันจะทุกข์ใจยากอย่างไรเราก็ยอมนะดีกว่าที่ไปทําบาปแล้วเป็นทุกข์นั้นเพราะเราทําบุญกุศลเราไม่ทําบาปนี่ทําการทํางานอันที่ไม่เป็นบาปเป็นโทษนี่นะมันเป็นทุกข์ก็จริงอยู่หรอกแต่มันมีผลเป็นสุข ในการต่อไปและเป็นมีผลเป็นสุขในปัจจุบันนี้ด้วยก็บุคคลเราเมื่อเวลามานั่งภาวนากรวดดูความประพฤติทางกายวาจาใจของตนไม่เป็นบาปเป็นโทษแล้วมันก็สบายใจไม่ใช่เหรอนี่มันมีความสบายใจเย็นใจไปตั้งแต่ก่อนตายนี่แล้ว ดังนั้นนะให้พากันพิจารณาให้ดีเมื่อผูใ้ใดเจริญปัญญาวิปัสสนาเพ่งพิจารณาธาตุสี่ขันห้าดังแสดงให้ฟังมานี่เห็นแจ้งประจักษ์ด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วผู้นั้นจะเว้นจากบาปจากจากโทษต่างๆได้ถ้าหากว่าบุญราสนาบรารมียังไม่แก่กล้าพอ ไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษขั้นใดขั้นหนึ่งได้ก็ตามแต่ผู้นั้นก็จะเป็นผู้เว้นจากบาปจากโทษดังกล่าวมานั่นได้เมื่อเมื่อเว้นจากบาปจากโทษนั่นได้แล้วมันก็มีแต่จะบ่ายหน้าไปสู่พระนิพพานโดยตรงเลยแบบนี้นะชีวิตนี่นะอะดําเนินไปในสงสารอันนี้ ก็จะมีแต่สร้างแต่บุญแต่กุศลความดีไปชีวิตจิตใจนี่ก็ใกล้ต่อพานิพานเข้าไปเรื่อยเรื่อยนี่ดังแสดงมา